MP3 แผ่นที่6ของหลวงพ่อคงจะทยอยออกไปอีกเพราะแผ่นที่หก็เตรียมพร้อมแล้วแผ่นที่6กํำลังจะเตรียมพร้อมออกมาอีกแต่าตามที่จริงธรรมะคำสั่งสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าถ้าจะว่าไปแล้วมันก็ไม่มีอื่นไกล ข้อปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนั้นคือหลักใหญ่ศีล ส, สมาธิปัญญาเอามาเพื่อปฏิบัติกายวาจาให่แล้วรวมลองอีกลงมาสู่ใจใจจะต้องได้รับการอบรมอย่างดีเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นธรรมะแผ่น ท, ที่หกที่หลวงพ่อ ให้พระท่านเอาออกเน่หลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่าก่อนที่จะเอาออกต้องไตรตรองให้ดีอย่าให้กระทบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งธรรมะเป็นของกลางธรรมะเป็นหลักเหตุผลสำหรับผู้ได้ยินได้ฟังแล้วนำไปประพฤติธปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทุกๆกคนแต่ว่าธรรมะนั้นจะไม่ให้กระทบใจของคนเลย ก็คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าธรรมะเป็นของกลางต้องเดินตรงกิเลสของเราชัดเซเข้ามาธรรมะมันก็ต้องเสือนเสือนกิเลสของคนถ้าหาว่าคนดีอยู่แล้วมันก็ถูกแต่ถ้าว่าคนมีกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างคนที่กินเหล้าอย่างเงี้ยธรรมะก็บอกว่าจะไปกินเหล้าจะไม่ให้มันกระทบก็ไม่ได้อย่างคนฆ่าสัตว์ พอพูดใเจ้าอยาฆ่าสัตว์ไม่ให้กระทบมันก็ไม่ได้เพราะว่าธรรมะเป็นของตรงแต่ถ้าเอาหลักเหตุผลเข้ามาจับแล้วธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเป็นหลักเหตุผลดีที่สุดอย่างที่หลวงพ่ออธิบายแล้วอธิบายอีกเรื่องศีลห้าอันนั้นก็คือหลักเหตุผลชีวิตเขาชีวิตเราของเขาของเราสามีปัญญาของใครของเราอย่าไปโกหกคนอื่น อย่าไปดื่มทุราทำให้ตัวเองขาดสติทำความชั่วได้ทุกอย่างอันนี้คือสินที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแต่ถ้าว่ากิเลสมันทาอย่างนั้นความโลภความโกรธความหลงมันทาอย่างนั้นธรรมะก็ต้องเสือนเข้าไปมันก็ต้องกระทบเพราะนั้นธรรมะจะไม่ให้กระทบกิเลสเป็นไปไม่ได้ธรรมะคือศัตรูของกิเลส คืออยู่คนละฝักกันเลยว่างั้นกิเลสกับธรรมกิเลสอยู่ฝากหนึ่งธรรมอยู่ฝากหนึ่งถ้าเป็นทหารกับทหารคนละฝากกันว่างั้นเป็นศัตรูกันเลยทหารสองฝ่าย ก, กิเลสกับธรรมเพราะฉนั้นจะไม่ให้ธรรมะกระทบกับคู่คนนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะคนยังมีกิเลสอยู่ถ้าหาว่าคนหมดกิเลสแล้วธรรมะเนี่ยจะเข้ากันได้ทั้งหมดพระรหันอยู่ในสถานที่ใดธรรมะเนี่ยจะเข้าทั่วถึงกันหมด เพราะไม่มีกิเลสแล้วแต่ว่ายังมีกิเลสดูธรรมะในต้องกระทบกระเทือนเน่เพราะฉะนั้นธรรมะที่หลวงพ่อจะได้พูดหรือว่าจะได้ออกไปเนี่ยเป็นการเสริมเสริมวิสัยทัศน์สร้างวิสัยธรรมให้แก่ชุมชนสังคมประเทศชาตินะวิสัยทัศน์คือให้มองไกลให้มองไกลให้มองรอบด้านถ้าคนเราถ้ามองแคบๆมันก็เห็นแก่ตัว ถ้ามองให้มองกว้างให้มองไกลเขาเราเราเขาโดยมากธรรมเทศนาหรือว่าคําพูดของหลวงพ่อที่ออกไปจะมีในลักษณะอย่างนั้นให้มองเขาให้มองเราเราต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสรพสัดอื่นเขาต้องการความสุขเพราะฉะนั้นอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้อภัยกันแลงรู้จักใจเขาใจเราถ้าว่าเขาทําให้แก่เราอย่างนั้น เราก็ไม่พอใจแต่เราไปทําให้แก่เขาล่ะเขาจะพอใจไหมเขาก็คงเช่นเดียวกันเพราะนั้นธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้มองไกลในว่าวิสัยทัศน์ให้มองไกลให้มองรอบด้านสุดตรมยะปัญญาจินตรมยะปัญญาภาวนามยะปัญญาล้วนแล้วแต่ท่านให้มองไกลทั้งนั้นน่ะสุดตรมยะปัญญาอาศัยการได้ยินในฟัง ท่านไม่ได้ฟังจุดใดจุดหนึ่งฟังให้ทั่วถึงแล้วมาแยกแยะจินตามมายาปัญญาให้แยกแยะให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอย่างไรไม่ใช่ว่าได้ยินมาแล้วก็จะเชื่อทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นต้องแยกแยะในเมื่อแยกแยะแล้วยังไม่พอภาวนามยาปัญญาทําจิตให้สงบอีกแยกแยะดูอีกอย่างละเอียดอีกมันถูกต้องตามหลักเหตุผลไหมหลักเหตุผลที่พระพุทธเจ้าวางไว้ แบบหยาบๆหรือว่าแบบเป็นกลางไว้ให้พวกเราศึกษาในลักษณะตัดสินธรรมวินัย8ประการที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ทำเราใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดยินดีหนึ่งความโลภหนึ่งความเห็นแก่ตัวหนึ่งในลักษณะอย่างนั้นน่ะลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย8ประการพวกเราให้ศึกษาอยู่ในนวะโหวาสนั่ะถ้าว่าเป็นไปอย่างนั้นแปลว่าองค์ใดก็ตามใครผู้ใดก็ตามท่านผู้ใดก็ตามพูดไปใน ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยแล้วอันนั้นคือความถูกต้องแต่ถ้าว่าพูดไปแล้วฝืนลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยแล้วอันนั้นแปลว่าเราต้องพิจนารณาอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ถูกต้องเลยละ่ะถ้ามันฝืนตามหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วเพราะนั้นพวกเราทุกคนนะหลักตัดสินธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านะ่เป็นบรรทัดฐานตัวหนึ่งทางด้านเป็นอยู่ด้วยทางด้านจิตใจด้วยว่างั้นเถอะ ทั้งสองอย่างวัะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าทายจะว่าไปแล้วเน้นหนักเรื่องปฏิหาร 3. ายิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ได้อเทศนาปฏิหารดักใจทายใจได้อนุสาสนีปฏิหารการเทศนาว่าการหรือว่ากล่าวทำอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจตามหลักเหตุและผลอันนั้นเรียกว่าอนุสาสนีปฏิหาร ปฏิหารทั้งสามอย่างนี้พระพุทธเจ้ายกย่องเชิดชูสิ่งที่ถูกต้องคืออนุสาสนีพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นเลิศกว่าปฏิหารทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างคืออิทธิปฏิหารแสดงติสได้เดีย๋ยวเหาะเหินเดินฟ้าทําตัวเองเป็นหลายคนอย่างนั้นเดีย๋ยวอิทธิปฏิหารอาเทศนานปฏิหารคือดักใจทายใจคุณคิดเรื่องอะไรขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้อันนี้ว่าอธาิษฐาน ปฏิหารอันสุดท้ายคืออนุสาสนีปฏิหารอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจอันนี้พระพุทธเจ้ายกย่องเพราะว่าทั้งสองอย่างนั้นพวกฤาษีชีภัยที่พวกท่านได้ฌานท่านทำได้แต่อ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจนี้มันต้องมีหลักเหตุผลเป็นลําดับลําดับขึ้นไปจนระดับมรรคผลนิพพานตัดกิเลสราคะโทสะโมหะ ไม่ให้มาเวียนไหวตายเกิดอีกนั่นแหะอนุสาสนีปฏิหารนี่ถึงจุดนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าพระราหันสาวกท่านแนะนําสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านและการแนะนําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ไปหน้าเดียวไม่ได้แนะนําอย่างเดียวอย่างนี่ถูกอย่างนี่ผิดอย่างเดียวอย่างพุทธท่านวิสัยของพุทธท่านมีวิธีหลายอย่างแต่ถึงยังไงก็อยากจะให้คนนั้น เดินสู่จุดหมายปลายทางได้จะทำยังไงจึงจะลบเล่าหรือว่าแนะแนวกระตุน้นหรือว่าบังคับชี้แนะชี้นำให้ผู้นั้นถึงทางพ้นทุกข์ได้อย่างที่ท่านเทศพนันทะที่เป็นพระอนุชาของท่านน้องชายต่างมารดาของพระ อ, องค์พระนันทะเขาอยากจะศึกอย่างมากเราพูดในเจ้าก็บอกว่าทันทะเธออยากจะศึกเหรอ ครับผมพูดตรงเลยตะกอนไม่กล้าพูดนะเพราะตัวเหลืองนะ่กินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะศึกมากเธออยากจะศึกเหรอครับผมป่ะเดี๋ยวเราจะพาไปพระพุทธองค์พาพระนันธาไปสู่สวรรค์พูดอย่างรวบลัสนะสวรรค์ชั้นจาตูมไปไงนันทะสาวสาวรรค์นี่สวยไหมสวยครับนะกับสาวเมืองมนุษย์อันไหนสวยกว่ากันโอ้เทียบกันไม่ติดครับผม ทาว่าเธอตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมนะเรารับรองจะให้ได้มาอยู่สันสวรรค์ชั้นนี้พรานันทากับหมกบับในใจ ม, มั่นใจว่างั้นเถอะไม่คิดอยากจะศึกลววะวันพาขึ้นไปอีกไปเห็นสันดาดึงสวยกว่าชั้นจาตูมเป็นไงนันทาอภิรสรชั้นนี้สวยไหมโอ้สวยมากครับผมกับสันเก่าเทียบกันไม่ติดเหมือนกับลิงเลยชั้นจาตูมว่างั้น พราะพระเจ้าเออเราจะรับรองถ้าเธอประพฤติพรห ม, มจรรย์ขึ้นมาดูไปสองสามชั้นจากนั้นกับพาพนั น, านทากลับลงมาพากลับลงมาท่านก็บอกเออนันทะเราพาขึ้นไปสู่สวรรค์ไปเห็นนางอัปสรสวัสดิ์สาวสวรรค์แล้วพอใจมากเรารับรองว่าเธอประพฤติพรห ม, มจรรย์แล้วจะได้ขึ้นไปอยู่สวรรค์สาวสวรรค์เหล่านั้นแต่นนท้พนันทาก็คําว่าศึกเนี่ยหายขาดไปเลยบาท จะตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปรมยันเพราะบ่าพระพุทธเจ้ารับรองเลยการศึกไม่มีเลยนี่มีแต่ความศรัทธาจะทํำยังไงจึงจะให้ศรัทธาตัวเองในอยู่ได้เพราใจมันก็ต้องคิดออกไปทางโลกเล น, นี่พยายามโน้มน้าวเข้ามมหาทางธรรมเลนี่ทำไงใจจริงจะอยู่ได้พยายามปรับใจตัวเองพอปรับใจตัวเองทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายที่ได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับประกันของพนันทะ เขาก็เย้ยกันอะไรเนี่โอ้พนันท่าพระพุทธเจ้ารับประกันนล้นะท่านจะต้องไปสู่สวรรค์ได้สาวสวรรค์พนันท่าไปที่ไหนเขาก็พูดพระที่ไหนก็พูดอายหมู่ทีนี้อายหมู่ก็ไปอยู่ตามลําพังไปหาอยู่ที่สงบสงัดท่านก็บพี่รณาดูพราใจท่านไม่อยากจะศึกแล้วเถนี่ใจท่านอยู่พอสมควรท่านก็บพี่รณาดูดูท่านก็เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต นี่แหละอุบายที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพระสาวกของพระองค์ไม่ใช่ทําหน้าเดียวทํำหลายด้านเมื่อได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระทั้งหลายก็เยียันพูดอย่านันันทะท่านคงแน่นอนนะพระพุทธเจ้ารับประกันนันทะท่านก็บอกเลยผมไม่ได้หมู่หวังอะไรทั้งหมดแล้วผมปล่อยวางทั้งหมดทั้งหมดแล้วเอาก็หาว่าพระนันทะอวดอุตตริมนุสธรรมว่าตัวเองได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เขาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกพระนันทะเข้าไปพระนันทะ คับพุทธองค์กับผมจบแล้วไม่มีอะไรแล้วถ้าไปยังงั้นตั้งแต่วันนี้ไปเราไม่ประกันอีกแล้วนะนันทะอให้ควพระพุทธองค์กับหมดประกันมางั้นเถอะเพราะนันทะเป็นพระอระหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วอันนี้วิธีการสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านสอนนางรูปนันทาที่เป็นน้องต่างพมานดาที่เป็นน้องสาวพรนันทะอีกนางนั่นก็ติดในรูปคือความสวยงามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ไปเทศนะ์ณสถานที่ใดท่านก็พูดว่า ร่างกายเป็นอสุภะนะร่างกายเป็นปฏิกูลนะร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะมีแก่มีเจ็บมีตายในที่สุดนะไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะแต่นางรูปนันทานั้นติดในรูปความสวยงามของตัวเองตรงนั่นก็อสวยตรงนี้ก่อ ง, งามในร่างกายตัวเองพระพุทธเจ้าตำหนิร่างกายข้าไม่ชอบใจข้าจะไม่ไปฟังธรรมข้าจะไม่รับหูรับศักด์พระพุทธเจ้าตำหนิว่าร่างกายเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยงาม ที่ในนางก็ไม่ไปฟังธรรมพ่อแม่ก็บวชพี่ชายก็บวชหลานก็บวชพี่สะพ้ยก็บวชจะทํำยังไงเธอตัวเองจะอยู่อย่างในเบียงเดินฟังก็เลยจําใจบวชเหมือนกันออกมาบวชเป็นภิกษุณีแต่เป็นภิกษุณีก็เถอะก็ไม่มาฟังธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตามลําพังเหมือนกนเถอะไม่อยากจะได้ยินคําว่าพระพุทธเจ้าตําหนิร่างกายพออุปนิสัยของท่านแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆอยู่ในวัด จากนั้นวันหนึ่งพวกภิกษุณีทั้งหลายที่มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไปก็ยกย่องเชิดชูบูชาว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าโอ้โหเสียบแหลมจริงๆหน้าฟังจริงๆน่าศึกษาจริงๆพูดเป็นธรรมจริงๆพระพุทธเจ้าพูดตรงจริงๆถูกต้องจริงๆต่างคนก็ต่างเชิดชูบูชาในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านางรูปะนันทาภิกษุณีก่อนเอเราน่าจะไปฟังกับเขาบ้างใช จะเป็นยังไงตอนนี้ก่อนที่จะเข้าไปพระพุทธเจ้าคงจะตําหนิร่างกายอีกกำมังเลยแต่นางก็กล้า ก, ก, ก, กลัวกลัวมหลบหซ่อนซ่อนเหมือนกันเถิดแอบแฝงไปกับหมู่พอไปพระพุทธเจ้ารู้แล้วเข้ามาในยานของพระองค์แล้วเข้ามาในตาข่ายเข้ามาในเลด้าของพระพุทธองค์แล้ววันนี้นางรูปะนันทาจะเข้ามาฟังธรรมเราจะไม่แสดงตําหนิเรื่องร่างกายให้นางได้ยินเป็นเบื้องต้น จากนั้นพุทองค์คืขึ้นแสดงธรรมพอแสดงธรรมก็นิรมิตผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งมาถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่ข้างๆพอนางรูปะนันทามมาเห็นเท่านั้นเองไขว่าพระพุทธเจ้าตําหน่ง ร, ร่างกายไม่สวยงามเห็นไหมผู้หญิงคนนั้นอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้านั้นถวายงานพัดโอ้โหทำไมสวยขนาดนั้นถ้ามองดูตัวเราแล้วเราเหมือนตับลิงตัวหนึ่งเอง แต่นางนั้นทําไมสวยถึงขนาดนั้นนางก็ไม่ได้สนใจในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในขณะนั้น mm hmm. เ อ, อ้นางนิลมิตรนะ่ยถวายงานพัดพระพุทธเจ้านางรูปาันธาภิกษุณีเนี่ยมองแต่นางนั้นคนเดียวไม่ได้ฟังเลยเสียงคนติดรูปนะี่ยว่ารูปนี้นสวยงามมากอยงนั้นท้ายสุดนางก็พัดพัดพัดอยู่อย่างนั้นพระองค์ก็เทศไปเรื่อยต่อมาพระองค์ก็นิมิตให้รูปนิมิตนั่นนะ แก่ขึ้นไปเรื่อยๆทนเสมัยใหม่ๆก็สิบหกสิเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิสาสิี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบท่านพอเก้าสิบก็ผมงอกตาโหเข้าไปฟันตอบเข้าไปแก้มตอบเข้าไปหนังเหี่ยวเข้าไปอา อ, อายุเก้าสิบกว่าทีนี้เวลาพัดพระพุทธเจ้าก็ซักๆักงกกันงง้นเ อ, องกงกเกินเงินเ อ, อทั้งพัดผิดพัดถูกว่างั้นเถอะปนอายุแก่นางเข้ามาเห็นโอ้ นางที่นั่งอยู่ข้างพระพุทธเจา้าเริ่มแรกเือสวยจริงๆแต่บัดนี้ความชราแก่เข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมบัดนี้คนเราถึงจะสวยงามขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งจะต้องแก่เหมือนกับยายคนเนี้ยข้างพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนจะพัดแต่ละครั้งได้ก็งกกันเงินเงินเง้างากถงจะค่อยพัดตรงทีหนึ่งเพราะอายุแก่ไม่มีกาลังโอ้ กายเรานี่ก็คงจะเช่นเดียวกันนี่น้องเขามาหาตนพอพระพุทธเจ้าเห็นว่านางน้องเขามาหาตนเห็นอันนี้จังของไม่เที่ยงเลยพระพุทธองค์ก็บอกว่าจริงๆอย่างนั้นรูปนันธาเธอจะไปติดในรูปรูปนี้มันเป็นอย่างนี้เกิดมาเท่าไหร่เกิดมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเออเป็นล้านหรือทั้งหมดที่เกิดมาจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายในที่สุดไม่เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างที่ที่เธอเห็นไม่เป็นอย่างอื่น เพรนั้นไม่ควรยึดมั่นหรือมั่นควรจะปล่อยวางนางได้ยินทำคําสั่งสอนเพียงเท่านั้นแหะนางก็ปล่อยวางที่จิตใจเห็นอนิจจังพุกขังอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นเบื่อหนายคลายนางก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ในเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าในขณะนั้นอันนี้คือการแนะนําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายวิธีที่ท่านแ น, นะนํำภาษาวกของพระองค์ นอกจากนั้นกับปีการธรรมเทศนาในอย่างที่พวกเราได้ศึกษาได้ฟังได้ปฏิบัติเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายนะการฟังธรรมเทศนาทุกรถทุกชาติให้น้อมมาหาตัวเองให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นแล้วจากนั้นก็ให้สังสมคุณงามความดีเข้าสู่ตัวเองอย่าประมาท ต, ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น ย้ำแล้วย้ำอีกว่าตายแล้วไม่สูนถ้าคนคิดว่าตายแล้วสูนจะไม่กล้าที่จะทําคุณงามความดีไม่กล้าทุ่มเทที่จะสั่งสมบุญกุศลเพราะพระพุทธเจ้ายืนยันแล้วตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกบาปกรรมมีจริงทําดีทําชั่วไม่ไปที่อื่นเข้ามาสู่ตัวผู้กะระทําเองกรรมคือการกะระทําเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจฟังการฟังด้วยดีจะมีปัญญา ถ้าฟังศักแต่ว่าฟังเฉยเฉยเปิดใส่พร้อมกับหมอร้องหมอลำเปิดใส่รถกับคุยกันอุตรโลเฮโลไปเรื่อยเนเปิดในบ้านกับเด็กคุยกันมันไม่เกิดประโยชน์ทางนั้นล่ะเพราฟังไม่ตั้งใจถาว่าตั้งใจฟังด้วยความสงบข้าจะฟังธรรมแล้วนะคราวนี้เราจะฟังธรรมคนเดียวหรือจะฟังธรรมเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะก็นั่งฟังฟังด้วยความตั้งใจการฟังด้วยความตั้งใจพวกเราจะเกิด จติตเกิดปัญญาได้ฟังอัทธรสแห่งธรรมจะเข้าสู่ใจของพวกเรารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงรถอะไรก็ตามสู้รถแห่งพระธรรมไม่ได้ถ้ารถพระธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วใจจะเย็นสบายใจมีความสุขใจของเราจะเดินในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมผลที่สุดเดินไปสู่มรรคผลนิพพานพ้นทุกข์ในวัฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีก เป็นอนันตาการอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาตรงพ่อว่าพวกเราก็คงใจไต่เต้าไปอย่างนั้นเรื่อยๆแล้วนะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังถ้าได้ตั้งใจฟังแล้วจะเกิดประโยชน์ถ้าไม่ตั้งใจฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์ควรจะปิดเทปจะปิดซีดีเอาไว้ถ้าเปิดไปก็เสียหายเพ้อๆอาจจะเป็นบาปชดเชยซ้ําไปการฟังธรรมฟังด้วยความเคารพแต่ว่านอนฟังได้ไหมได้ นอนฟังก็ได้ท่านหลับแล้วก็หมดท่าเนนะี่ยเหมือนกับเทศให้ขอนสุงฟังเนะ่ยเหมือนกับเทศให้ผีตายฟังนะมันนอนหลับแล้วเนีมันไม่เกิดประโยชน์ยืนเดินนั่งนอนฟังได้ทั้งนั้นแหละอริยบททั้งสีราะกิเลสอยู่ในใจของเรากิเลสในะขณะนอนไม่มีนะีออ่ยไม่ใช่อย่างนั้นนอนก็มีกิเลสมือนกันเพราะฉนั้นธรรมะเข้าไปชําระใจในขณะที่นอนก็ได้ยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นพิธีการฟังนะ แต่ข้อสำคัญฟังด้วยความตั้งใจท่านเองตั้งใจฟังถ้าไม่ตั้งใจฟังถึงจะยืเดินนั่งนอนก็ไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหละอา้าวตอนนี้ไปรับพรยะถาวาริวาาปูราปริปูเร